ตอนที่เจ็ิบเก้าหลิวเคอเคอออกมาแล้วเอาเด็กออกนั้นเหรอสีหน้าของหลิวเคอร์เคอเปลี่ยนไปทันควันน้าเสียงที่เอ่ยออกมาแหลมสูงขึ้นมาทันทีลูกของฉันยังดีๆอยู่ทํำไมต้องเอาเขาออกด้วยเด็กนะ่าดีไม่ผิดหรอกแต่พ่อเด็กมันไม่ใช่คนดีนะสิแม่หลิวอ้าปากตั้งท่าจะเกลี้ยกล่อมลูกสาวต่อแต่หลิวเคอร์เคอตาไวเหลือไปเห็นโจเจียนเ ย, ย่ที่ยืนอยู่ไม่ไกลานางจึงรีบสาวเท้าวิ่งเข้าไปหาเจียนเ ย, ย่ฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องมา หลิวเคอเคอมองโจจียนเ ย, ย่ด้วยสายตาหวานซึ่งตอนนี้นางไม่เหลืออะไรแล้วทำได้เพียงพึ่งพิงเขาเท่านั้นหลิวเคอเคอร์อไม่ตำหนิโจเจียนเ ย, ย่ว่าทำไมถึงไม่เคยไปเยี่ยมนางที่สถานีตำรวจเลยนางรู้ว่าเขามีความลำบากใจและนางก็เข้าใจเขาได้ขอเพียงผู้ชายคนนี้ยังเต็มใจจะใช้ชีวิตคู่กับนางต่อไปเรื่องราวที่ผ่านมานางก็พร้อมจะเลิกราขุนเคืองหลิวเคอเคอร์ยื่นมือไปควงแขนโจเจียนเย่ย ที่เจนเยคุณไม่รู้หรอกว่าลูกของเราดิ้นได้แล้วนะฉันรู้สึกได้บ่อยๆเลยว่าเขาซนอยู่ในท้องต้องเป็นเด็กที่ดื้อมากแน่ๆเลยค่ะโจเจนเยแสดงสีหน้าวั่นไหวเพียงเล็กน้อยตอนที่หลิวเคอเคอพูดถึงลูกในท้องเขาอ้าปากแต่ไม่ได้ถามไทยเป็นอันดับแรกว่านางอยู่ในนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่กลับหันไปมองแม่หลิวแทนตั้งแต่คนตระกูลหลิวไปอารวาสที่บ้านคราวก่อนช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย แม่หลิวสะบัดหน้าหนีด้วยความโกรธช่างเถอลูกสาวคนนี้ถือเสียว่าไม่ได้เกิดมาก็ล้ากันในสมองคิดถึงแต่โจเจี้นี้ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีสเสน่ห์ลดเหลือมาจากไหนนักหนาแม่ครับถ้าแม่ไม่มีอะไรจะสั่งเสียแล้วพวกเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับหลังจากโจเจี้นี้พูจบแม่หลิวก็คร้านจะสนใจเขานางถมน้ำลายลงพื้นอย่างแรงด้วยความรังเกียจเดียดฉันแม่คะแม่เลิกทํากิริยาต่ําๆแบบนี้ได้ไหมสกปรกจะตายหลิวเคิร์เคิรขามวดคิ้ว เจียนเยกำลังพูดกับแม่นะแม่เป็นผู้ใหญ่ยังไงก็ควรจะขานรับบ้างสิคะไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นเลยฉันเป็นแม่แกนะฉันจะทําอะไรไม่จําเป็นต้องให้แกมาสั่งสอนที่นี่วันนี้ฉันจะพูดกับแกให้ชัดเจนตรงนี้เลยนะเมื่อแกเต็มใจจะใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้ไปจนตายต่อไปแกจะได้รับความลําบากอะไรก็ไม่ต้องสมสารกลับมาที่บ้านเดิมอีกแกก็ทนรับมันไปเองคนเดียวเถอะแม่หลิวเดินจากไปได้วยความโกรธจัดพร้อมทิ้งคาพูดเด็กขาดเอาไว้ พี่เจี้ยงเยี่ยพีย่ไปถือสาแม่ฉันเลยตอนนี้แม่ฉันแค่ยังคิดไม่ตกนะคะเลยมีความเข้าใจผิดในตัวพี่หลิวเคอเคอเอ่อยด้วยน้ําเสียงอ่อนหวานที่ไม่รู้หรอกว่าตอนที่ฉันอยู่ในนั้นฉันคิดถึงที่มากแค่ไหนพวกเราเร่งกลับกันเถอะคะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อแล้วโจวเจียเย้ยงเย่ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยกมือขึ้นตบหลังมือของหลิวเครอรเคอเบาๆ เ, เมื่อหลิวเคอเคอกลับถึงบ้านถึงได้พบว่าแม่สามีมาที่นี่คาดว่าคงฉวยโอกาสช่วงที่นางไม่อยู่เดินทางมาจากบ้านเดิมแน่ๆ ตอนนี้ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วหลิวเคอเคอไม่อยากฉลองปีใหม่ร่วมกับแม่สามีคนนี้เลยแต่นางเพิ่งออกมาจากข้างในจึงไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวทําได้เพียงอดทนไปก่อนทางที่ดีที่สุดคือรอให้หนิวซูเฟินเป็นฝ่ายทนไม่ไหวแล้วเริ่มหาเรื่องก่อนเองโจเจี้นเย่ไม่อยู่บ้านตลอดทั้งวันหลิวเคอร์เคอรู้ว่าเขตทหารงานยุ่ง ม, มากช่วงสิ้นปีงานที่ต้องจัดการย่อมมีมากเป็นธรรมดาในช่วงสองสาวันแรกหนิวซูเฟินก็ไม่สนใจหลิวเคอเคอเช่นกันสองแม่ผัวลูกสไปร์ต่างทําเหมือนอีกฝ่ายเป็นธาตอากากศ ลิวเคอเคอกำลังตั้งคันแต่หนิวซูเฟิร์นกลับสนใจแค่การทำอาหารและซักผ้าให้โจเจียนเย่ยเท่านั้นไม่ยาแสนางเลยแม้แต่น้อยในฤดูหนาวที่น้ำเย็นจัดเมื่อหลิวเคอเคอร์เห็นหนิวซูเฟิรนเข้าไปหยิบเสื้อผ้าสกปรกของโจเจียนเย่ยในห้องอีกครั้งนางก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากคุณแม่ช่วยซักผ้าให้ฉันด้วยไม่ได้หรอคะในท้องของฉันน่ะหลานชายของตระกูลโจนะคะแม่จะทำเหมือนไม่สำคัญแบบนี้ได้ยังไงในท้องแก่เป็นหลานชายเหรอฉันว่าไม่มัง้งหนิวซูเฟิร์นเบะปาก ดูแท้จะเป็นหนังตัวขาดทุนมากกว่าจะให้ฉันปรนนิบัติทาไมหรือชิงถิงตอนท้องนางยังดูแลตัวเองเลยไม่เห็นต้องให้แม่สามีอย่างฉันมาลำบากใจอะไรฉันไม่ใช่ให้แกทํากับข้าวก็ดีเท่าไหร่แล้วอย่ามาเลือกมากที่นี่อย่าลืมนะว่าตอนนี้แกกินของลูกชายฉันดื่มของลูกชายฉันใช้ของลูกชายฉันงานการในบ้านไม่หยิบจับสักอย่างเลี้ยงไอคนไร้ประโยชน์อย่างแกไว้จะมีประโยชน์อะไรฉันถูกสํานักพิมพ์ไล่ออกก็จริงแต่ระดับการศึกษาของฉันยังมีอยู่ต่อไปฉันต้องหางานที่ดีกว่าเดิมได้แน่คะ่ะ นิวเคอเคอเชื่อว่าการไม่มีงานทําเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวต่อไปนางต้องมีงานทําแน่แค่เรื่องของเวลาเท่านั้นพ่อเธอแกไม่ต้องมาพูดจะสวยหรูให้ฉันฟังหรอกฉันดูแค่ผลลัพธ์เท่านั้นนิวซูเฟินโบกมืออย่างรําคาญผลแล้์ก็คือตอนนี้ลูกชายฉันต้องเลี้ยงแกเหอะฉันว่าแกมันก็แค่ตัวสวยตั้งแต่ลูกชายฉันแต่งแกเข้ามาเรื่องวุ่นวายในบ้านก็ไม่เคยหยุดหย่อนกระทั่งยศผู้พันก็ยังหลุดไปทั้งหมดนะ้าเพราะแกแท้แท้ฉันเสียใจจริงๆถ้ารู้ว่าแกเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกยังไงกก็็ไมม่่ยอให้้้แตงเขเขขาาาบนด นึกว่าได้ของดีราคาถูกที่ไหนได้กลับขาดทุนเยื่ยับหนิวซูเฟินพูดอย่างไม่สบอารมณ์ต่อแม่แกยังพาพวกญาติญาติมาหาเรื่องที่บ้านอีกในฤดูหนาวแบบนี้กลับรุมซ้อมคนจนน่วมถ้าฉันไม่รีบปรับมาจากบ้านเดิมแหละก็ลูกชายฉันคงตายคาบ้านไปแล้วแกก็อย่าไปตำหนิลูกชายฉันเลยว่าทําไมไม่ไปเยี่ยมแกตัวเขาเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลยไม่มีแรงเหลือจะไปเยี่ยมแกหรอกหนิวซูเฟินยังคงพูดต่อไปแต่หลิวเคริรเคิรกลับรู้สึกเหมือนสมองอื้ออึงไปหมดหมายความว่ายังไง ทำไมโจเจีเจ้นเยี่ยถึงไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้กับนางเลยนางไม่รู้เลยสักนิดไม่รู้ว่าคนบ้านเดิมมาหาเรื่องและยิ่งไม่รู้ว่ายศผู้พันของเขาถูกถอดแล้วตอนนี้เงินเดือนพื้นฐานในแต่ละเดือนก็น้อยนิดจนหน้าเวทนาหลิวเคอเคอยกมือขึ้นลูบท้องตามสัญชาตญาณถ้าลูกเกิดมาจะทํายังไงนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินทั้งนั้นแม่จะมาโทษฉันไม่ได้นะต้องโทษหลีชิงผิงสิลูกชายแม่กลายเป็นแบบนี้ก็เพราะผู้หญิงคนนั้นทําร้ายเขาทั้งนั้นเป็นความผิดของนาง พอเธอยังไงพวกแกสองคนก็ไม่ใช่คนดีทั้งคู่นั่นแหละมีแต่เรื่องอัปามงคนหนิวซูเฟินเบะปากลูกชายฉันยังยอมใช้ชีวิตกับแกต่อแกก็อย่าหาเรื่องอีกเลยตั้งใจใช้ชีวิตกับลูกชายฉันไปซ้ำไ ม, ม่อย่างนั้นฉันจะให้ลูกชายฉันแยกกับแกหลิวเคอเคอนางไม่ได้ยินสิ่งที่หนิวซูเฟินพูดหลังจากนั้นเลยนางรู้เพียงว่าตนเองจะอยู่บ้านเฉยๆแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องหางานทําโดยด่วนต่อให้งานที่หาได้จะไม่ดีเท่ากันเป็นนักข่าวเหมือนเดิม แต่ขอเพียงได้รับเงินเดือนมาช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวนางถึงจะมีสิทธิ์ยืนหยัดในบ้านหลังนี้ได้อย่างมั่นคงไม่อย่างนั้นนางคงต้องยอมก้มหัวให้แม่สามีไปตลอดชาติหนิวซูเฟินเห็นนางเริ่มสงบเสงี่ยมลงจึงแค่นเสียงเหอออกมาอาลัลลภาพก็สักเองไปต่อไปข้าปลาชันทําให้แกกินได้แต่ถ้าลูกชายฉันไม่อยู่บ้านแกก็ทํากินเองอย่าหวังว่าฉันจะมาประนีบัติแกแกยังไม่คู่ควรไว้เมื่อไหร่แกคลอดหลานชายให้ตระกูลโจของเราก่อนถึงตอนนั้นค่อยมีสิทธิ์พูด ตอนกลางคืนหลิวเคริรเคริรจนโจเจี้ยนเย่ยกลับมานางนั่งอยู่ที่ขอบเตียงโดยไม่ยอมหลับนอนโจเจี้ยนเย่ยเห็นนางเป็นเช่นนั้นก็ถึงกับชะงักไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งคุณไม่ต้องรอผมเข้านอนหรอกคุณนอนไปก่อนได้เลย